สิมนิ้ววาดนอบไว้ขาบตุนซาขอการวาสัมมาก่า้าผ้าธรรมพาพุทธนั่นเฮย้าธรรมนั่นคาปลายาสังคาพัมพอม สถาตั้งหลายแม่กิ้วกองกอง้มเข้าปางวาดอียามบอนกัดหนาวเกตเนือ้อเออแม่ไก่สอนยามนี่ขิงวอนกัดหนาวสันดงัง ได้มาเขา้ากรรมแม่ส้อยดอกตางสิบวันกามามือนี้หมูจุมสังา้าเข้ากรรมทนี้สัทธาหากได้ลุมลาเบาหือได้ทุกยืงได้แต่หนาพอแม่สัทธาลุมลาแต่ใส สิวันผ่านผ่านลงมาว่าใดถึงขิงอําลากาดก้อยก้อยอยู่ก้อยกินอย่าได้ตาก้อยมองใจเนื้อเจ้าสะทาน คือนาบุญกรรมย่าเศร้าโศกาขอสั่งสถ า, าบันลาปอกเตาลาวัดมาหืงเบามีไผเฝ้าใจติดวัดเราอยู่แต่ แม่นจักห่างไกลมอนหรือนี่แต้ก็มองหมอนเศร้าใจใจกันจังลาแต้น้ำตาก็พ่ายสถายิงใจใจตีใจน้อยอำลาแล้วเฮ หูใจจ่องหอยเบาไข่พาดมือเตะเตะแม่คู่ตัต้งหลายเฮ็ดพักวันเล่เบาไข่พาดได ล, ลาลากรรมาการก็ใจดีแต่หนาปัดปูลุ่มลาเอาใจใส่ด้วย แม่ห้างสาวจีห่างเล้านาสยุยตู้ปีจักลาก่อนแล้วอย่าได้ขี้เงาเนื้อแมอแวแค้วขอฮื้อน้องแก้วอดไปตู้ปีไปแล้วอย่าได้ไม่ใจ โทูลาสไปผู้จาก็ได้ก้อยอยู่ก้อยกินอย่าได้สุขไม่ตู้ปีลาไปเมื่อนีแม่นตัวห่างไกลใจยังอยู่พี่มีจำอยู่้างสถา อย่าได้ลาวัดหมอนหือนีหนากกูผ้าคูบาหมองใจสุกเศร้ายามผ้าสัง้าไปแล้วเบาเตา้าจุงก่อยมาใจผ่องตต อ, อยู่วัดเนื้อกองตอกปอกยอมยอ่อลำปัดทิบทองกัดยัน กลางึ้นโศ ก, กัดกลางวันตุกแข็โกูวัดดักยันไผเบาไต่เต้ายาลาคูบบาพาน้อยเขาเจ้าฮือได้ทากองเนื้อนอง อยาลาคู่บ้านเนื้อซอยแม่วงคือมองสุกเศรายามวอนตู้ปีลาแล้วแม่แก้วไก่สอนอย่าได้อาวนขี่เงาเนื้อเจ้าหลายปีจังมาห่อนขึ้นปอกเตาหมอนเรือนี่มาอยู่แต่ ขอสั่งสถามอ่อนฤณีแล่คือใดอยู่สางเฮตไปต่างดีอย่ารางังต่างไรนีไก่สุกหมุนยืมไปอย่ามีโศกเศร้าคือรังสำงามเขาของมาเตา้าคือบรมูลกูเจอ สาปาอันใดหือมีปาลึกหรือไว้สืบสัางกินต้านอย่าได้สุขทุกข์ทอตั้งขี้ผ่านต่างอยู่กินต้านนาบุญจอยตุมอย่าทอตั้งขี้ความดีจอยอุมหือสัาดีอยา่าลา นอนหลับตาเฮยตื่นมายาดละเงินล้านอ่านตือมีมายามดีรถแล้วอำลาก่อนนาสาธุจนาลามือเป่าจอยจังลาสียังตูปังวาดน้อยดักสียันว้อยมือนี จังลาสียังมอนนือตีพีแล้วปัดนปอกเตาขึ้นไปจังใดลาไวแล้วไปตีไกอำลาปอกไปสัทธาใหญ่น้อยกำโซใจของแผ่นบอดบาทซอยจอมแล้วลาลองเตานี ข้าขอปล่องวังยังสิทิพีจำเล้วพอดีก่อนเละบุญเฮออําลาผมหยอกสัทธาเขากันเนียเนอ